ฉะนั้นคนเราจึงจะชื่อว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำตอบว่า ก็มีความรู้นั่นแหละจึงมีอวิชชาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีความรู้อย่างก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ก็ไม่มีอวิชชาขึ้นมาได้ก็คือมีความรู้ แต่ว่าความรู้ที่มีอยู่นั้นเป็นความรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ที่ผิดจากความจริงฉะนั้นความรู้ที่ไม่จริงความรู้ที่ผิดจากความจริงนี้แหละ คืออาวิชาในทางตรงกันข้ามเมื่อเป็นความรู้ที่จริงไม่ผิดจากความจริงก็เป็นวิา และเอาวิชาคือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงของจริงของแท้หรือ ก, กล่าวอีกในยตหนึ่งว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะคือของจริงของแท้ นี่คืออวิชชาพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นได้ทรงอธิบายอาวิชชานี้ได้ ว่าได้แก่ความที่ไม่มียานคือความอย่างรู้ในทุกเป็นต้นดังกล่าวแต่หากว่าถ้ามิได้พระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นมาทรงแสดงสั่งสอนทุกทุกคน ก็ย่อมจกไม่สามารถจะรู้จักอวิชชาที่มีอยู่ในตนเองได้ย่อมจะเข้าใจว่าตนมีวิชาคือความรู้ ที่เป็นความรู้จริงเป็นความรู้ถูกดังศ า, ศาสดาทั้งหลายแห่งศาสนาทั้งหลายแห่งลัทธิทั้งหลาย ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าหรือภายหลังพระพุทธเจ้ามิได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าคือมิได้ตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้า ก็ยอมเข้าใจว่าแต่ละท่านมีวิชาคือความรู้ถึงที่สุดเป็นผู้ที่ปราศจากอาวิชชาคือความไม่รู้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้ว แต่อันที่จริงนั่นยังมีชาติมีพพก็ชื่อว่ายังมีทุกมียังยังมีทุกยังมีกิเลสยังไม่สิ้นทุกยังไม่สิ้นกิเลส ดังที่มีความต้องการเกิดอีกแม้ในชาติภพที่เข้าใจว่ายั่งยืนและเมื่อไปเกิดในชาติภพนั้นแล้ว ก็ยังยืนมีภูที่เกิดอยู่ยังยืนแต่เต็มไปด้วยความสุขต่างๆดังฤท ษ, ษีทั้งหลาย ดาบ ท, ทั้งหลายคูปฏิบัติแม้ใกล้พุทธศาสนาเข้ามามากดังเช่นทันอาราลาบทการามโคตอุธกะดาบทรามาบท ปฏิบัตินับว่าสมบูรณ์อยู่มากในศีลในสมาธิคือได้ถึงสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดหรือว่ารูปปัจจันทรอรูปปัจจัน แต่ว่าก็ติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าต้องการที่จะไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรมซึ่งเข้าใจว่าดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ในพรมโลกนั้นแต่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นระโพธิสัตว์เสด็จออกทรงพร น, นุน์ได้เสด็จเข้าไปทรงศึกษาในสำนักของท่านดาบ ท, ทั้งสองนั้นก็ทรงเห็นว่า ยังเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อชาติบเพราะฉะนั้นจึงยังมีกิเลสคือความต้องการจะไปเกิดอันเป็นตันหา และเมื่อไปเกิดอีกความเกิดนั้นก็ยังเป็นทุกข์เพราะเมื่อเมื่อมีเกิดก็จะต้องมีแก่มีตายเมื่อไปเกิดเป็นเทพก็จะต้องมีจุติคือเคลื่อนออกจากความเป็นเทพในที่สุดจึงยังไม่พ้นทุกข์ ไม่พ้นความเวียนว่ายตายเกิดอันนียกว่าวัตถสงสารเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าท่านศาสดาและลูกศิษย์ทั้งปวงนั้นก็ยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ คือยังมีความรู้ที่ผิดจากสัจจะที่เป็นตัวความจริงยังเห็นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสิ้นทุกข์ยังเห็นในสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดสุขดฉะนั้น ความรู้ของบรรดา ศ, าศาสดาและศิษย์ทั้งปวงนั้นจึงเป็นความรู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดและเมื่อสำคัญว่าถึงที่สุดความสำคัญผิดเป็นความเห็นผิดความรู้ก็เป็นความรู้ที่พิจากสักจจะที่เป็นตัวความจริงดังกล่าว ยังเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงสแสวงหาโมกขธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องหลุดพ้นโดยพระองค์เอง และแม้พระองค์เองก็ทรงรู้พระองค์เองว่ความรู้ของพระองค์เองที่ยังมีอยู่ในขณะที่ทรงแสวงขานั้นก็ยังเป็นความรู้ที่ยังเป็นอวิชชา อยู่อีกเหมือนกันเพราะยังเียบไม่พบสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นโมกะธรรมธรรมะจะไม่เรื่องหลุดพ้นจากกิเลสละกองทุกข์ได้จริง ยังไม่ทรงรู้ในขณะนั้นวัจดะที่เป็นความจริงนั้นคืออะไรฉะนั้นแม้ความรู้ของเราองค์เองในขณะนั้นก็ยังเป็นความรู้ที่จะเป็นอวิชชาทรงปราจฉนาจะได้ความรู้ที่เป็นวิชาคือความรู้ที่ ตรงกับสัจจะคือความจริงในเบื้องต้นก็ทรงมุ่งอาศัยท่านคนาจารย์ที่มีอยู่ในขณะนั้นดางเช่นท่านดาบททั้งสองแต่เมื่อทรงเห็นว่า แม้ความรู้สูงสุดของท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นก็ยังเป็นอวิชชาอยู่คือยังไม่เป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง เราอาศัยผู้อื่นไม่ได้แล้วจึงได้ทรงจับบำเพ็ญทุกรกิริยาก็ไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมาจึงได้ทรงเลิกแล้วก็ทรงจับปฏิบัติทางสมาธิ โดยทรงนึกถึงสมาธิอย่างแน่วแน่ที่ทรงได้เมื่อเป็นพระกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพระราชบิธีแรกนาควันทรงได้สมาธิถึงขั้นปฐมฌานโดยที่จิตของพระองค์เรียนรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออก สงบจากนีวอนทั้งหลายที่ทันแสดงว่าถึงปฐมฌานแต่หลังจากนั้นสมาธินี้ก็เสื่อมไปเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ไม่ได้ทรงได้สมาธินี้ด้วยมุ่งที่จะไปเกิดเป็นพรม หรือเป็นอะไรืรเพื่อชาติพบอะไรจิตรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็สงบอยู่ภายในสงบจากตามสงบจากอังกุศลธรรมสงบจากอิวานทั้งหลายดึงได้จับปฏิบัติ ทางสมาธิอันบริสุทธิ์นี้จนทรงได้อปปนาสมาธิสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นสมาธินับเข้าในสมาบัติ หรือในฌานที่ทันดาบททั้งสองท่นานได้ก็เลยสอนนั่นแหละแต่ว่าความมุ่งหมายต่างกันและสองท่านดาบททั้งสองนั้นพันสินสุดเพียงเท่านั้น เพราะเพียงพอที่จะไปเกิดเป็นพรมแล้วก็สิ้นสุดเฉยเท่านั้นตัวกลายเป็นสมาธิที่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์และเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีกอันนี้เป็นเงื่อนสำคัญคือสมาธิที่ปฏิบัติไม่ถูกทาง แม้จะได้สมาธิจนถึงฌานถึงสมาบัติก็เป็นสมาธิเป็นทุกขสมุตรไทยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นสมาธิเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์กนเอด้วยความดับทุกข์ไม่เป็นสมาธิที่นับภาในมัชฌิมองแปดของพระพุทธเจ้าคือสมาสมาธิที่เป็นข้อที่แปด ฉะนั้นสมาธิเมื่อสรุปขึนแล้วจึงมีสองอย่างสมาธิที่เป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อย่างหนึ่งสมาธิที่เป็นทุกข์นิโรธคือเป็นเหตุให้ดับทุกข์เป็นความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติสมาธิแม่ในพุทธศาสนาเอง ตามวิธีที่พระพุทธเจ้าสรงสังสอนไว้เองบางทีก็ได้สมาธิดีเป็นอินแต่หากว่าจะเป็นไปไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อความสิ้นทุกข์ก็กลายเป็นสมาธิที่เป็นทุกขสมุ ท, ทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไป ซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยส่วนสมาธิที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เพื่อความสิ้นทุกข์ในพุทธศาสนานั้นต้องเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโลธความดับทุกข์พระโพธิสัตว์จับปฏิบัติสมาธิ เป็นไปเพื่อทุกข์กนนินดหน่อยคือความดับทุกข์คือไม่ต้องการชาติภพอีกต่อไปไม่ต้องการมรุษยสิสมบัติไม่ต้องการสวรรคสมบัติ หรือไม่ต้องการความเป็นเทพความเป็นพรหมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าต้องการนิพพานซึ่งยังเป็นความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นแม้จะยังมีตัณหาคือความลินรนทยานอยากเพราะยังละตัณหาไม่ได้ ยังมีตันหาอยู่แต่ก็ใช้ตันหานั้นในเพื่อนิพพานคือต้องการนิพพานเพียงอย่างเดียวดังที่ได้มีแสดงว่าอาศัยตันหาละตันหาก็คืออาศัยตัญหาที่มีอยู่นี่ เป็นตัณหาเพื่อนิพพานต้องการนิพพานก็เพื่อละตัณหานั่นเองยังเป็นสมาธิไม่ตีปฏิบัติเพื่อทุกข์ในน้โดยคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติพุทธศาสนาที่พอใจกรรมาฐาน ก็ต้องรู้จักว่ามีสองอย่างคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็เป็นไปเพื่อทุกขสมุทัยเหตุใดเกิดทุกข์หรือว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เป็นไปเพื่อทุกขในด้วยความดับทุกข์ดันั้นต้องให้รู้จักดังนี้ แ ล, และที่เป็นไปเพื่อทุกข์ใโรธและที่เป็นไปเพื่อทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็เพราะไปะยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิในเมื่อปฏิบัติทางสมาธิไปยึดถือในอุปกิเลสของปัญญาในเพื่อปฏิบัติทางมีปัสจณาอันเรียกว่ามีปัสจานุปกิเลสไปติด เสียในในวิปัสสนูปกิเลสนั่นก็เลยกลายเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไปเพราะว่าผลของสมาธิของมีปั ส, สนานนั่นที่ได้โดยลำดับเป็นผลที่ชวนให้ติด เป็นอุปเิเลสขึ้นมาเป็นอันมากเมื่อไปติดเข้าแล้วสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติไปนั่นก็กลายเป็นทุกขสมุทัยไปต่อเมื่อละผลของสมาธิของปัญญาที่นาติดน่าชมน่าเสวยนั้นได้ก็เป็นอันว่า ไม่สร้างอุปกิเลสของสมาธิของปัญญาขึ้นมาจึงจะปฏิบัติสมาธิปัญญาของตนให้เป็นทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้จับปฏิบัติในศีลในสมาธิ อันเป็นไปเพื่อทุกขนิโรธได้อปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ก็ถึงขั้นฌานกันสมาบัตินั่นแหละยานคือความอย่างรู้คือผุดขึ้นแยพระองค์ ดังที่ตัดแสดงไว้ในปฐมเทศานามาทรงพบทางที่เป็นมัชฉิมาปฏิปทาข้อปฏิบัตินั้นเป็นหนทางกลางมีสมาธิความเห็นชอบเป็นต้นก็คือมัจมีองแปดนั่นแหละทรงปฏิบัติไปนในมัจมีองแปดนี้ท่านเป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์ เป็นไปเพื่อยานคือความอย่างรู้จึงทรงได้ยานคือความอย่างรู้ขึ้นก็คือว่ายานคือความอย่างรู้ที่แสดงไว้ว่าจากขู่คือดวงตาผุดขึ้นยานคือความอย่างรู้ผุดขึ้น ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้นวิชาคือความรู้ผุดขึ้นอารมณ์คือความสว่างผุดขึ้นในธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมา ก, ก่อนวันนี้ทุกทุกควรกำหนดรู้ พระองค์ทรงกําหนดรู้ได้แล้วนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยนี้ควรละสมุทัยนี้ทรงละได้แล้วนี้นิโรธคือความดับทุกข์ความดับทุกข์ควรกระทําให้แจ้งความดับทุกข์นี้พระองค์กระทําให้แจ้งได้แล้วนี้มัด คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้ควรอบรมให้มีขึ้นในเป็นขึ้นทางดับทุกข์นี้พระองค์เด้ทรงอบรมให้มีขึ้นในเป็นขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดังนี้ยานคือความอย่างรูปผุดขึ้นแก่พระองค์ดังนี้ ในธรรมะที่ไม่ได้ทรงสดับแล้วมาก่อนจึงได้ทรงพอพระทัยว่ารู้ละรู้แล้วได้ตรัสรู้ วิสัมโพธิคือความตัดสู้ยิ่งแล้วทรงเป็นภูที่ตัดสู้ยิ่งจีเรียกว่าตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วอวิชาคือความไม่รู้จึงหนับไป วิชาความรู้ผุดขึ้นหรือจะเรียกว่าวิชาคือความรู้ผุดขึ้นเอาวิชาดับไปเหมือนแสงสว่างังเกิดขึ้นความมืดก็าหายไปเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นพุโทโธคือเป็นผู้รู้แล้วเป็นมิมุตโตคือเป็นผู้พ้นแล้ว พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงอยู่ด้วยวิชาคือความรู้ในความหลุดพ้นแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าหรือแม่พระองค์เองเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ยังมีอวิชชาคือมีความรู้ที่เป็นอวิชชาไม่รู้จริง ในสัจจทั้งสี